งานอันไม่เป็นที่รักยิ่งทำล่วงเวลายิ่งเร่งเวลาตายงานที่คุณรักคืองานที่คุณพอใจจะทำเมื่อพอใจเรื่อยย่อมหลั่งสารแห่งความพอใจเรื่อยสารแห่งความพอใจที่ได้ทำเรื่อยนั่นแหละคือต้นเหตุของสมาธิต้นเหตุความมีสติรู้ซึงรายละเอียดภูมิใจในความแตกฉานในงานของตน งานที่ไม่ได้เงินจึงมักให้อะไรยิ่งกว่าเงินเพราะชัดเจนว่ารางวัลล่อใจของงานที่ไม่ใช่เงินคือความพอใจที่ได้ทำไปเรื่อยๆทุ่มเทเคลื่อนไหวกระชากระเฉงไปเรื่อยๆคำตอบชีวิตของหลายๆคนโดยมากเกิดจากการทำงานที่ไม่ได้เงินนี่เองแต่ยุคเราเป็นยุค ข, ของการใช้เงินเป็นตัวล่อให้ฝืนใจกันได้ บางคนฝืนใจทำงานอันไม่เป็นที่รักไม่เว้นวันหยุดราชการไม่สนแม้แต่เวลาหลับเวลานอนเพียงเพราะเงินไข่สำคัญคือต้องได้เงินเพิ่มไม่ทำเพิ่มก็จนใจไม่มีเงินพอผ่อนน้นผ่อนนี่ไม่ทำเพิ่มก็เสียดายชว่วเงินล่อใจไม่ทำเพิ่มก็รู้สึกผิดไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำสิที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 เพราะเราได้ข่าวทํางานแล้วฟุบลงไปไม่เงยหน้าลืมตาขึ้นมาอีกเลยช่วงนิรันด์จากบริษัทเล็กบ้างบริษัทใหญ่บ้างทางที่ดีจึงขอให้ระลึกว่าบ้างานอันเป็นที่รักไม่ค่อยจะเป็นไรแต่บ้าเพราะงานที่ฝืนใจทำแลกเงินมันได้เงินไม่พอรักษาตัวไม่พอเยียวยาจิตใจและในที่สุดก็มีสิทธิ์ตายก่อนวัยอันควรได้จริง